อาล้วเดี๋ยววันนี้ปารลบในเรื่องของพระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าก็คือสรุปก็คือพูดในเรื่องของไตรสาระหรือรัตนไตรนั่นแหละก็คือแก้วประเสริฐแก้วอันประเสริฐหรือสิ่งที่ล้ำค่าสามประการหลักที่เคารพ บ, บูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชนสามสามอย่างพูดถึงในเรื่องของพุทธเจ้าพุทธสรูเองและสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ถธรทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลักความจริงอันพึงรู้และหลักความถูกต้องดีงามอันพึงผู้ปฏิบัติและประการที่สมก็คือหมู่ผ้าสงผู้สืบคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยการเล่าเรียนปฏิบัติรู้ตามและแนะนําคนอื่นให้รู้เป็นต้นด้วยแต่ละการที่จะพูดวันนี้จริงๆก็คือพูดเรื่องพุทธคุณเนาะพุทธคุณเนี่ยเราสามารถที่จะแยกออกมาเป็นพุทธคุณหนึ่งพุทธคุณสองพุทธคุณสาแล้วก็พุทธคุณ9้า วันนี้ที่จะนำเสนอที่สนทนากันในวันนี้ก็คือพูดในเรื่องของพุทธคุณแรกก็คือเรื่องของเกี่ยวในเรื่องของตถาคตโพธิสัต t ที่พูดถึงพุทธคุณแรกๆนี่แหละนั้นการที่เรามีพอเริ่มคำว่าตถาคตโพธิสัต t h เนี่ยก็หมายความเชื่อ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระธถาคตใช่ไมไม่ว่าจะทรงแสดงความหมายในศรัทธาในลักษณ ะ, ะไห่ตรงนี้ท่านมาทำความเข้าใจให้ชัดลงไปก็คือว่าแปลง่ายๆว่าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระธถาคตถามว่ามีความหมายแค่ไหนถ้ามองแบบพื้นๆก็ได้ความหมายว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง มีปัญญาค้นพบสัจธรรมนำมาสั่งสอนเราพระองค์สอนความจริงที่เอามาปฏิบัติแล้วจะได้ผลจริงถามว่าเราเชื่อแบบนี้ไหมในการที่เราเชื่ออย่างนี้แหละเป็นตถาคตโพธิสัตธ์ในเบื้องต้นถ้าเราไม่เชื่ออันนี้เราก็ไม่ไม่รู้จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไปทำไมแล้วเราก็จะไม่อยากไปศึกษาคำสอนของพระเจ้าด้วยแต่เพราะอะไร เพราะเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วก็มั่นใจว่าพระ อ, องค์รู้จริงมั่นใจว่าพระ อ, องค์เข้าถึงความจริงจึงทําให้เราเกิดกําลังที่จะศึกษาหรือกําลังใจนี่แหละกําลังใจในการที่จะศึกษาคําสอนของพระ อ, องค์และปฏิบัติตามถะนั้นถ้าไม่มีศรัทธาตัวนี้ก็เป็นอันว่าเดินหน้าไปไม่ได้หรือออกเดินทางไปไม่ได้หรือดําเนินตามท่านไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เบื้องต้น อันนี้เป็นตถาคตโพธิสัทธาก็คือเชื่อมั่นแบบแบบพื้นฐานเบื้องต้นที่เราเราต้องต้องมีตรงนี้ทีนี้ถ้าเราจะมองให้มันลึกลงไปกว่า น, นั้นอีกอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะถ้าชั้นที่สองตถาคตโพธิสัตทธาคือเชื่อปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยถามว่าเชื่อพระพุทธเจ้าตัสรู้จริงนะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเชื่อพระพุทธเจ้าตัสรู้จริง ค้นพบสัจธรรมและนำมาสอนเราพระองค์เอาความจริงนั้นมาสอนสามารถเมื่อปฏิบัติแล้วทําให้เราได้รับผลของการปฏิบัติได้จริงทีนี้ความหมายคําว่าตถาคตเนี่ยเป็นศัพท์ประเภทที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าในฐานะอะไรในฐานะเป็นตัวแทนของมนุษย์ตถาคตศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องสื่อความหมายโยงมาถึงพื้นเดิมแห่งความเป็นมนุษย์จะได้บอกว่าจากมนุษย์ท่านแรกนี่แหละ จากมนุษย์ท่านหนึ่งนี่แหละตถาคตนี่แหละก็หมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะเดิมเนี่ยพระองค์เป็นมนุษย์แล้วจากคุณสมบัติของมนุษย์นี่แหละพระองค์ก็บำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มาบรบารมีปัญญาบา ร, รมีวิรยิยะบา ร, รมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบา ร, รมีแล้วก็ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นอุปบา ร, ร, รมีสิบและระดับที่สูงสุดก็คือปรมัภะบารมีสิบ และยังเพิ่มจากมหาปริจาค้าห้าอีกนะมีทานะปริจาคะเป็นต้นจนถึงการสละชีวิตนะเป็นที่สุดถ้ามองนี้เราจะเห็นว่าพระองค์ก็บำเพ็ญมานับอย่างย่อยๆก็คือสี่สงไขยิ่งด้วยแสนมหากรรมนี่แหละพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีและพัฒนาคุณสมบัติต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นยอดสูงสุดของคุณสมบัติก็คือปัญญาปัญญานี่แหละ ถ้าบอกศีลสมาธ í, ิปัญญาใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นชัดถ้าเป็นศีลราวิสุทธิจิตตว right? ิสุทธินี่เป็นความบริสุทธิหมดจดแห่งจิตใช่ไหมถ้าศีลเราวิสุทธิความบริสุทธิหมดจดแห่งศีลจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์สุดหมดจดแห่งจิตก็คือคุณสมบัติของกลุ่มสมาธิทั้งหมดทิฏฐิวิสุทธินี่เข้าถึงปัญญาเลยนะปัญญาที่เคยไปรู้ความบริสุทธิ์เห็นรูปนามตามความแล้วกังขาวิจารณวิสุทธินี่ปัญญาที่ข้ามพ้นความสงสัย มัคคามัคะยาทัศนาวิสุทธิปัญญาที่ไปกําหนดรู้ว่าอันไหนเป็นทางดําเนินและไม่ไม่ใช่ทางดําเนินที่ไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็ปฏิวัติยาทัศนาวิสุทธิก็คือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แล้วกญ า, าณทัศนาวิสุทธินี่ยานปัญญาที่แทงตลอดระยะสัตว์สรุปแล้วในกลุ่มปัญญามี5เลยเห็นไหมมีมากมายมากกลุ่มศีลหมวดหนึ่งกลุ่มจิตตาวิสุทธิหมวดหนึ่งตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปในกลุ่มปัญญารุนล้วนเลย จนถึงญาทนะัทสนวิสุทธิเนี่ยพระพุทธเจ้าได้คุณสมบัติข้อนี้แหละโดยเฉพาะที่ว่าพัฒนาปัญญาจนกระทั่งมีปัญญาจนกระทั่งปัญญานั้นก็ถึงความรู้แจ้งสัจธรรมรู้แจ้งความจริงที่ว่าเป็นโพธิเข้าถึงความจริงดังที่เรียกว่าตัสรู้เนี่ยเราะนั้นปัญญานั้นน่ยพัฒนากลายมาเป็นโพธิ <c oughs> คือปัญญาตัสรู้ก็หมายความว่าปัญญานั่นแหละเมื่อพัฒนาไปสูงสุดก็เป็นโพธิไหมโพธิปัญญาเป็นต้น โพธิ์กับคำว่าปัญญาตรัสรู้หรือว่าที่ทําให้มนุษย์เป็นพุทธะโพธิกับพุทธะเนะี่ยมาจากรากศัพท์เดียวกันโพธิก็คือปัญญาของพุทธะหรือปัญญาที่ทําให้เป็นพุทธะก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่ามนุษย์มีความสามารถมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพระเจ้าได้ก็คือมนุษย์มีปัญญาเมื่อมีปัญญาหรือเมื่อพัฒนาปัญญาเป็นโพธิมนุษย์ก็เลยกลายเป็นพุทธะจริงพุทธะมีทั้งสามประเภท ใช่หมหนึ่งสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็คือการพัฒนาศีล ส, ส ม, มาธิโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาดิ่แหละเข้าถึงความเป็นปัญญาที่เป็นโพธิญาณโพธิโพธิปัญญาหรือสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยได้ปัญญาตัสรู้ได้ด้วยตนเองและเมื่อรู้ความจริงกดความยิงธรรมชาติตัศรู้ความจริงในอริยสัจธรรมทั้งสแล้วเนี่ยเพราะองค์กมีปัญญานี้แหละมากําหนดระเบียบแบบแผนกฎกติกาขึ้นมา ที่เรียกวิริไนเห็นไหมอันแรกก็คือตัสรุธรรมะ แ, แล้วพระองค์ยังมีความสามารถมีความชานฉลาดอีกคือสามารถมาตั้งกฎกติกาที่เป็นวิริไนเนี่ยนะขึ้นมาเพื่อเป็นหลักเป็นกรอบเป็นเป็นข้อฝึกของพุทธบริษัททั้งหลายเหล่านี้ยเข้ามาอยู่ในกรอบของวิริไนแล้วจะได้ดําเนินไปสู่ธรรมะได้อย่างแท้จริงฉะนั้นหลักการจริงๆเนี่ย 1. ตัสรุท ร, รมะตัสรุความจริงสองฉลาดในการตั้งกฎสมมติหรือกฎบัญญัติขึ้นมาเรียกวินยัยหลักของศาสนาจริงๆเลยมีสองส่วนธรรมและวินยัยนั้นคนที่จะสามารถบัญญัติวินัยได้อะแสดงธรรมะเปิดเผยธรรมะเปิดเผยธรรมะที่ยากทำให้ง่ายที่ลึกทำให้ตื้นบอกเนี่ยธรรมะที่องค์ตัสรุได้ และสามารถบัญญัติวินัยเพื่อสร้างชุมชนของสังฆาขึ้นมาให้ง่ายต่อการที่จะเข้าตัสรู้ธรรมะมีองค์เดียวเท่านั้นคือสัมมาสัมพุทธะนั้นตัสรู้ได้โดยตนเองด้วยแล้วก็ประกาศให้บุคคลอื่นตัสรู้ตามสามารถตั้งกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายสร้างสมชนอริยชนขึ้นมาได้จริงๆด้วยนี่คือความสมบูรณ์ที่สุดของสัมมาสัมพุทธะนี่คือพุทธเจ้าประเภทที่หนึ่งพุทธเจ้าประเภทที่สองคือปัจเจกพุทธะอันเนี้ย พัฒนาปัญญาตนเองจนสามารถตัสู้ความจริงได้แต่ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเปิดเผยหมายความว่าบัญญัติวินัยตั้งกฎเกณฑ์กิฬาหรือไม่สามารถที่จะสอนบุคคลอื่นให้ตัดสู้ตามได้ก็เลยเรียกเป็นพุทธเจ้าประเภทที่สองคือปัจเจกพุทธเจ้าเรียกปัจเจกพุทธะส่วนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอนุพุทธะนี่แปลว่าตัดสู้ตาม มีท่านพระอัญญาโกณียาภาษาริบุตรเป็นต้น อ, อย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆก็เรียกว่าพุทธเจ้าเหมือนกันนะพุทธเจ้าเหมือนกันก็คือแต่เป็นอนุพุทธะหนึ่งสัมมาสัมพุทธะสองปเจกพุทธะสามอนุพุทธะนี่อนุพุทธะนี่ต้องตัดสัตว์รู้ตามนี้เป็นต้นทีนี้ถามว่าเชื่อมโยงตรงนี้แล้วทําให้เราได้รู้อะไรรู้ไหมทำให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพอันนี้ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพุทธเจ้าก็ได้ก็คือมนุษย์มีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็พัฒนาเป็นโพธิมนุษย์ก็เลยกลายเป็นพุทธเนี่ยนะมนุษย์สามารถที่พัฒนาปัญญาตัวเองเป็นโพธิกลายเป็นพุทธะประเภทสัมมาสัมพุทธะก็ได้พัฒนาปัญญาตัวเองเนี่ยเข้าถึงโพธิเป็นพุทธะเข้าถึงปัจเจกับพุทธะก็ได้พัฒนาปัญญาตนเองโดยการฟังตามคําสอนของสัมมาสัมพุทธะปฏิบัติตามท่านก็พัฒนาเป็นพุทธะเป็นอนุพุทธะ ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นกระดานแสดงว่ามนุษย์เนี่ยตรงเนี้ยคาว่าตถาคตจึงเป็นจริงได้ความหมายว่าเป็นตัวแทนของมนุษย์นั้นในกระบวนการแห่งการพัฒนาปัญญาจนเป็นโพธิที่ทําให้มนุษย์เป็นพุทธะเนี่ยก็พัฒนาคุณสมบัติอื่นๆด้วยไม่ใช่พัฒนาด้านปัญญาอย่างเดียวหนึ่งด้านของจิตด้านของศีลเป็นต้นเหล่านี้ยที่เป็นปัจจัยประกอบจนสมบูรณ์เป็นไปทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายหรือพวกเราเนี่ย เป็นมนุษย์ตรงเนี้ยต้องการชีพพวกเราอะให้เข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเนี่ยน่าชื่นใจตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นต้นกําเป็นมนุษย์แม้อนุพุทธะทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นมนุษย์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมจากมนุษย์นี่แหละฝึกผลพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาจริญกายเป็นพุทธะเข้าถึงความเป็นพุทธะเป็นต้นตรงนี้แหละถ้าเรา เข้าใจคําว่าพุทธคุณตรงนี้จะได้ชัดว่าไม่ใช่พระเจ้าตแตสรู้ความจริงอย่างเดียวและทําให้ตนเองบริสุทธิ์หมดจดพระเจ้ายังตรัสสอนความจริงด้วยและก็ทําให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็สามารถเข้าถึงความจริงตนนั้นได้ทีนี้ถ้าพวงตรงนี้ไม่ชัดก็ทําให้เรามานั่งนึกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดของความเป็นมนุษย์แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปจากมนุษย์อย่างเราเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เสีย เราก็จะได้เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็มีปัญญาที่จะสามารถพัฒนาเป็นโพธิได้เราก็มีความเป็นมนุษย์ที่พัฒนาเป็นพุทธะได้หรือจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเรามีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นอนุพุทธะเป็นพระฐานเสาวกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ฉะนั้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเมื่อตถาคตโ พ, ธ, พ ธ, ธิสัตฐานี้เขาเรียกว่าพอเชื่อที่องค์ของพระพุทธเจ้าแล้ว2ก็ยองมาถึงตัวเราให้มั่นใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยอันนี้ก็คือเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมีค่าควรที่เราจะศึกษาปฏิบัติตามคําสอนของพระ อ, องค์แล้วสองก็เลยมั่นใจได้ว่าเราเองก็มีศักยภาพที่จะรู้อย่างนั้นได้ด้วย ถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจไม่มีศรัทธาในศักยภาพของตนเองอย่างนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติไปทําไมฉะนั้นแตถาคตโพธิศรานี้พูดทีเดียวได้สองคือได้ทั้งความมั่นใจในพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็โยงมาถึงตัวเราเองโดยมั่นใจว่าเราก็มีศักยภาพนี้อยู่คือศักยภาพในการที่จะเป็นพุทธะอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นต้นด้วยถ้าไม่มีตรงนี้ แปลว่าไม่มีตถาคตโพธิสัต t h เชื่อมั่นปัญญาทัศรู้ของพระตถาคตเพราะตถาคตนี่เป็นตัวแทนของมนุษย์ดังที่ได้กล่าวทีนี้อีกความหมายหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้พัฒนาพระองค์แล้วเนี่ยเขาจะภาวิตรักพุทธเจ้าทรงเป็นภาวิตรกายะภาวิตศีระภาวิตจิตตาภาวิตปัญญา คือมีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาที่พัฒนาแล้วแปลว่าพราะองค์พัฒนาตัวเองให้บริบูรณ์เสร็จทั้งกายภาวนาก็พัฒนาแล้วทั้งด้านกายทั้งด้านศีลทั้งด้านจิตทั้งด้านปัญญาอีกพุทธพจน์หนึ่งที่บอกว่ามนุษย์สภูตังสัมพุทธทงังอัตตะทันตังสมาหิตังเทวาปีตังนมัต ส, สันติอัตตะทันตังสมาหิตังบอกถ้าสาัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ทรงฝึก พระองค์แล้วเขาเรียกอัตตะทันตะเนี่ยมีพระไทยซึ่งอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการพระสัมพุทธเจ้านั้นอันนี้บ่งบอกได้เห็นชัดว่ามนุษย์เนี่ยถ้าฝึกตนเองจนเข้าถึงความบริบูรณ์ทางด้านมีกายที่อบรมแล้วมีศีลที่อบรมแล้วมีจิตที่อบรมแล้วมีปัญญาที่อบรมถึงที่สุดแล้ว อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทพเทวดาทั้งหลายก็หันมานอบน้อมแล้วก็นมรรคการมนุษย์นั้นทันโตเศธโธมนุษย์เสสุบอกว่าในหมู่มนุษย์ผู้ประเสริฐสุดคือคนที่ฝึกแล้ววิชาจารณะสมปันโนโศเศธโถเทวมนุษย์เสบอกว่าถึงผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และมวลเทวาทั้งหลายเป็นต้นอตรงนี้ ประการแรกนี้ต้องการเชื่อเห็นคําว่าตถาคตโพธิสัต t h คือเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตนี้คือ พ, พุทธคุณหนึ่งนะทีนี้ประการต่อไปเนี่ยเราเข้าใจพุทธคุณหนึ่งว่าหนึ่งเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าตรัสรู้เป็นพระเจ้าประการต่อมาคือมาเชื่อมั่นอะไรเชื่อมั่นตัวเราเองว่าเราจะสามารถฝึกตนเองให้เข้าถึงความเป็น พุท ธ, ธาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเอสมณเนรบอมเชื่อตรงนี้ไหมเชื่อใช่ไหมไหนเชื่อนีะยต่ตรงเนี้ยมีสําคัญที่ว่าเราจะต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจประการต่อมาคือพุทธคุณสองและพุทธคุณสามพุทธคุณสองเนี่ยหนึ่งอัตตหิตาสมบัติความถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตนทรงรบําเพ็ญประโยชน์ของพระ อ, องค์เองให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้วนี่ต้องเข้าใจเนีย พระคุณข้อเนี้มุ่งเน้นไปที่ไหนมุ่งเน้นไปที่ปัญญาเป็นหลักเพราะเป็นเครื่องให้สาเร็จพุทธภาวะคือความเป็นพุทธเจ้าเห็นไหมการที่พระจารธเจ้าเพ็ญศีลสมาธิโดยเฉพาะบําเพ็ญพระปัญญาเนี่ยจนสามารถเข้าถึงโพธิพอเข้าถึงโพธิได้ก็เรียกว่าอัตตาหิตตสมบัติก็คือถึงพร้อมด้วยประโยชน์ตนบําเพ็ญประโยช น, ยชน์ส่วนพระองค์เองบริบูรณ์เลยเสร็จสิ้นบริบูรณ์เลยถามว่าการที่จะบําเพ็ญ เข้าถึงประโยชน์ตนให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ได้เนี่ยเนี่ยการพัฒนานี้มุ่งเน้นที่พัญญายาโดยเฉพาะมุ่งเน้นที่โพธิปัญญาโดยเฉพาะนี่เป็นหลักในการทําให้เข้าถึงพุทธภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นอัตนาถะคือพึ่งตนเองได้เหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้ทําที่พึ่งให้กับตนเองแล้วแล้วเธอทั้งหลายอ่ะได้ทําที่พึ่งให้กับตนเองได้หรือยังตอนนี้เรายังไม่สามารถทําศีล ให้เป็นโลกุตละทําสมาธิเป็นโลกุตละโดยเฉพาะทำปัญญาให้เข้าถึงความเป็นโลกุตละได้ถ้าใครสามารถทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งขึ้นจนเข้าถึงโลกุตละได้เมื่อไหรแต่ว่าเข้าถึงความเป็นอัตนาธรรคือพึ่งตนเองได้เห็นไหมเราก็จะต้องฝึกเราก็มองเห็นพุทธคุณสองข้อแรกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอาละเราได้หลักแล้วเราก็จะพัฒนาตามกฎเกณฑ์ของธรรมะ กฎความจริงที่พระเจ้าทรงตรัสรู้นี่แหละโดยเฉพาะดําเนินตามมารรคสัจนี่แหละเยอะไหมทุคสัจจะเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้สมุรทรยทายาสัจควรละควรประหารนิโรธาสัจควรรู้ถึงควรทําให้แจ้งมรรคสัจควรเจริญในมรรคสัจกก็มีปัญญาเป็นข้อแรกเนี่ยปัญญานั้นแหละที่เป็นสัมมาทิฐินั่นแหละพัฒนาให้เข้าถึงความเป็นเป็นปัญญาที่เรียกว่าเข้าถึงพึ่งตนเองได้นั่นเอง พึ่งตนเองได้เข้าถึงความเป็นอัานาถาพึ่งตนเองได้นี่นี่ประการที่หนึ่งี่พุทธคุณก็พุทธคุณข้อที่สองปรหิตาปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ทรงบำเพ็ญพุทธจริยาเนีทั้งโลกัตถจริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกยาตัทจริยาประพฤติประโยชน์แก่หมู่ญาติแล้วก็พุทธาถาจริยาก็คือบำเพ็ญ พุทธจริยาโดยฐานะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พระองค์ทรงบากบันเพียรพยายามอุตสาหะมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการที่บำเพ็ญยกขันธภาระในการเสด็จดำเนินได้พระบาทเปล่าในการโปรดเวนายศัสตร์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมทั้งหลายอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเนี่ยนี่เขาเรียกปราริตาปฏิบัตินี่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นทรงบำเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พระคุณข้อนี้มุ่งเน้นที่ไหนกรุณาเป็นหลักที่เราเรียกว่าพระมหากรุณาคุณคกรุณาได้ชัดไหมเป็นเครื่องให้สาเร็จพุทธกิจถ้าไม่มีกรุณาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวผลักดันแล้วการที่จะบําเพ็ญหน้าที่ความเป็นพุทธเจ้าให้สําเร็จเป็นสำเร็จพุทธกิจมีความเป็นบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวโลก ในฐานะเพื่อญาติหรือเพื่อโดยฐานะเป็นพระเจ้าเป็นต้นจะไม่สําเร็จได้เลยถ้ากรุณาไม่พอเนี่ยได้พระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ไพศาลหาประมาณนี้ได้นี่แหละเนี่ยเข้าถึงความเป็นโลกาณาถาเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นต้นไดน้มองเห็นเนี่ยเนีเข้าถึงความเป็นโลกาณาถาได้ก็คือไร้กับปฏิบัติก็คือปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นนี่พุทธคุณสองเราก็จะได้หลักว่าอ๋อพุทธคุณสองเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรตอนนี้เรายังทําที่พึ่งให้กับตนเองไม่ได้ เราก็จะต้องบำเพ็ญศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเพื่อให้สําเร็จเข้าถึงพุทธภาวะตามพระเจ้าให้ได้ความเป็นพุทธะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราได้สําเร็จนี้มีปัญญาต้องขับเน้นปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจรีทีนี้พอได้ตรงนั้นแล้วเราก็มอมองถึงภระหิตตปฏิบัติที่พระองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นใช่ไหมการบำเพ็ญประโยชน์กับบุคคลอื่นถ้าเราได้ที่พึ่งแก่ตนเองแล้วโอ้โหก็ปร่งโล่งเบาอะไรเงี้ยพระเจ้าก็เหมือนกัน แต่ถ้าพราะองค์โอ้โหสำเร็จประโยชน์ของตอนเองแล้วพระองค์จะปรินิพานเลยก็ได้แต่นี้ด้วยอะไรด้วยพระมหากรุณาที่คุณเป็นหลักนี่แหละทรงบำเพ็ญทําให้พุทธกิจนั้นสําเร็จได้โดยไม่บกพร่องเลยไม้แต่น้อยเนี่ยเข้าถึงความเป็นโลกนาถะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกและเป็นที่พึ่งของเราได้เอาและเราก็จะได้พุทธคุณสองเนี่ทั้งความเป็นอัตตาหิตาสมบัติกับปราชิตาปฏิบัตินี่แหละที่ความเป็น เข้าถึงความเป็นพระปัญญากับกรุณานี่แหละนะความความเข้าถึงความถึงเข้าถึงอัตนาถาคือพึ่งตนเองได้แล้วก็โลกนาถาความเข้าถึงความเป็นที่พึ่งให้สัตว์โลกได้นี่พุทธคุณสองพอ ม, มองเห็นไหมว่าพุทธคุณหนึ่งก็เชื่อมโยงกับพวกเราพุทธคุณสองก็ยิ่งเชื่อมใหญ่เลยใช่ไหมเราก็จะต้องฝึกตนเองให้เข้าถึงตรง น, นั้นให้ได้บอมเริ่มมองเห็นหรือยังเริ่มเห็นนะอะประการที่สามเดี๋ยนี้พุทธคุณสาม พุทธคุณสาวก็มีภาพปัญญาคุณคือคุณคือภาพปัญญาที่สามารถแทงตลอดอริยสัตว์จะทําทั้ง4ประการได้โดยตนเองเนี่ยประการที่สองภาพบริสุทธิ์ที่คุณพราะคุณคือความบริสุทธิ์หมดจดราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมานาทิฏฐิวิจิกิขาหีริกาโนตปาอุทะจะกายทุจริตวิจิทุจริตมนโนทุจริตบาปุสรกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านั้นน่ย อันตรธานหมดสิ้นในกรรมวิหาันงสันดานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะพระพุทธเจ้าจังมีกระแสขันกระแสชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดได้กเพราะปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจนั่นแหละจึงได้พระคุณข้อที่สองคือพระบริสุทธิ์ที่คุณและประการต่อมาคือกรุณาคุณคุณคือผ้ามหากรุณาพุทธบริษัทจะรู้จักคุณทั้งสามประการกันดีถึงขนาดเวลาจุดโทษใช่ไหม จดโทบเนี่ยใช้สดอกเลยพุทธบริษัทในประเทศไทยเนี่ยดอกที่1นบูชาพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดอกที่สองบูชาพระ บ, บริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดอกที่สมบูชาพระมหากรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลาเราปักดอกโทบแต่และดอกปึกป๊กปึก๊กปึกลงไปเรานึกอย่างนั้นจริงไหมพุทธบริษัทส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดกันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเห็นเนี่ยก็ เ, เห็นโทบสาดอกที่แล้วเราคิดตรงนี้ทันทีเลยไหม อันต่อไปก็ทําสัญญาก็ไว้ว่าให้นึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งสาประการพระปัญญาคุณที่พระองค์ทรงแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกเนี่ยเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้เยอะไหมเป็นหน้าที่ของปัญญาที่ควรไปรู้ชัดรู้แจ้งรู้ลึก ร, ร, รู้โดยประการต่างๆรู้ให้ทุกเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาตรงเนี้ย ที่เข้าไปรู้ทุกขสัจจะตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นทุกในอดีตทุกในปัจจุบันแม้ทุกในอนาคตภายในภายนอกอย่าละเอียดเรวปราณีตั้งหลายลเหื่องนี้ปัญหาทั้งหลายอุปสรรคทั้งหลายเหล่างนี้ปัญญาเนี่ยแหละเป็นผู้ไปแทงตลอดไปรอบรู้ได้ทั้งหมดแต่ถามว่าปัญหาเหล่านี้ทุกเหล่านี้มีอะไรเป็นแดนเกิดก็มีสมุทัยเป็นแดนเกิดปัญญาก็เข้าไปรู้อีกรู้ความจริงก็คืออาวิชาความไม่รู้ตัณหาความทยานอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น กรรมคือนำกรรมที่นำสัตว์ไปสู่สังสารวัตรอุปอสังขารคือสภาพความปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปทั้งหลายที่เป็นอน en ชา ท, ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ที่นำสัตว์ทั้งหลายให้กเกลือกกลั่วในกามาพรมรูปภูมิรู ป, ป, ร ภ, ร ป, ปรภูมิทั้งหลายนี้เป็นต้อนอ๋อนี่คือตัวสมุทัยสัจจะเป็นสัจจะเป็นความคิงที่ต้องประหารนะต้องละต้องทําให้หมดสิ้นไปส่วนนิโรธาสัจจะนี่ปัญญาที่เข้าไปรู้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่เราพุทธบริษัทจะต้องรู้ถึง ต้องเข้าถึงให้ได้ต้องทําให้ประจักษ์แจ้งให้ได้นั่นคือนิโรธาสัจจะแล้วก็ที่4ี่ก็คือมรคสัจจะ ก, ก็คือต้องลงต้องบําเพ็ญต้องเจริญต้องลงมือทําก็คือภาพปฏิบัติการอย่ปัญญาเหล่านี้เข้าไปรู้อริยสัจสี 4. ที่จริงรู้รอบที่หนึ่งคือรู้สัจยาใช่ไหมวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกรอบที่2ก็กิจญาณกิจที่ควรทาทุกคกนกําหนดรู้สมุทยัยควรละอันนี้โรดควรประจักษ์แจ้ง มักก็ควรลงมือทำนี่ควปฏิบัติส่วนกต่ายานรอบที่สาว่าทุกนี่พระองค์รอบรู้หมดสิ้นแล้วสมุดไทยพระองค์ก็ละได้หมดสิ้นแล้วนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วมักพระองค์อบรมให้บริบูรณ์แล้วเราก็จะทําจะรู้รอบสอาการ12ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปัญญานี้ให้ได้พอพระพุทธเจ้ารู้รอบ3าอาการ12นี้เเสร็จพระองค์ก็เข้าถึงความเข้าถึงความบริสุทธิ์ คุณเข้าถึงคุณแห่งความบริสุทธิ์ก็คือราคาโทสาโมหะมานาพิธีวิจิตรฉาหิริกาอโนตรปาอุทจาปาบุตรสกรรมมันชั่วร้ายทั้งายก็หมดสิ้นจากอกมรรัน์ดานกิเลสสมานก็หมดเลยเพราะกิเลสสมาลเนี่ยในกระแสะขันของพระสามม า, ส ม, า, าสมุทัเจา้าเนี่บริสุทธิ์หมดจดก็เป็นขันที่สะอาดนัเข้านักเขาก็มานอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทําลายพระเจ้าได้อีก ไ, ไม่ว่าจะขันท่ามานมา น, นือเบญจาขันเบียดเบีย น, ยนท่านไม่ได้อีกต่อไป เทวดามารมานกือเทพวดทั้งหลายก็ไม่สามารถเบียดเบียนท่านได้อีกเลยเพราะท่านเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วมัจจุมานคือความตายก็เข้าไปตัดรอนกระแสชีวิตของท่านไม่ได้อีกอภิสังขารมานมานที่จะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่สังสารวัฏทั้งหลายก็หมดสิ้นเลยพระเจ้าจึงเรียกว่าผู้ชนะมารเ พ, พราะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดนี่แหละเขาจยังเนี่ยชนะมารก็เลยมีปรางปางชนะมารหรือปางมารวิชัยนทํามารให้พ่ายแพ้ ก็ ค, คือชนะมารทั้งห้ามีกิเลสสมานเป็นต้นจนถึงเทบุตมานเป็นที่สุดและประการต่อมาพระองค์ก็เลยบำเพ็ญพุทธกิจให้บริบูรณ์ได้นั่นคือพระมหากรุณาที่คุณนะคุณคือกรุณานี่หละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายจะต้องทำการเข้าใจมีคุณสาม <c oughs> เห็นไหมคุณที่หนึ่งตถาคตโพธิสัตธา <c oughs> <Yeah. S 2> ที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาหิตะสมบัติกับสองกับพระหิตะปฏิบัติเพราะคุณสก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณเราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงคุณมีส่วนในการได้เข้าถึงคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้หมายถ้ ถ้าปรารถนาจะเป็นแค่นุพนะุทธะนมีส่วนในการที่จะเข้าถึงคุณคือทั้งปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าเป็นพระปัจเจคะปัจเจกับพุทธะก็เข้าถึงคุณทั้งสามประการเนี้เนี่นได้ระดับตามตามคุณธรรมของท่านแต่ถ้าต้องการจะเข้าถึงคุณให้สมบูรณ์เท่าท่านก็พัฒนาตนเองให้เป็นสมมาสมพุทธะเราก็จะได้คุณทั้งสามประการนั้นได้หรือพอเริ่มวางหลักตัวเองถูกหรื อ, อยังว่าควรจะ เข้าถึงคุณระดับไหนระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธปะปเจกพุทธะหรือสาวากาพุทธะเอาระดับไหนดีบอกระดับไหนดีระดับไหนอต่ตอนนี้พอพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้มองเห็นอีกตรงนึงก็คือว่าด้วยเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะพูดถึงสัมปทานะ ที่มาจากคาว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทรงแสดงสัมปทาของพระบรมศาสดาทั้งสามประการเนีจริงๆมีสาประการสัมปทาคือความถึงพร้อมความถึงพร้อมสามประการของพุทธเจ้าหนึ่งเหตุตัวสัมปทาความถึงพร้อมด้วยเหตุนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยตัดสั้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ประกาศหลักการให้บุคคลอื่นตัดสั้ตามด้วยเนี่ยหนึ่งเหตุตัวสัมปทาถึงพร้อมด้วยเหตุ สองก็ผลสัมปทาความถึงพร้อมพร้อมความถึงพร้อมด้วยผลประการที่สามและก็สัตตูปการะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นมองเห็นไหมนี่แยกจากสามก็มาขยายอีกแต่เนี้ยเหตูสัมปทานับยังไงเหตูสัมปทาก็นับความถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาที่คุณ และการได้ทรงบําเพ็ญโพธิสมภารก็คือบําเพ็ญบารมี30สิทัศอันนี้เป็นเหตุหมดเลยฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาถึงความเป็นพุทธบริษัทระดับแรกๆเลยคือเป็นภิกษเุเนี่ยอย่างนี้พวกเราเนี่ยกลุ่มที่สองภิกษุณีกลุ่มที่สอุบาสกกลุ่มที่4ี่อุบาสิกาเนี่ยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณ และก็เพราะการบำเพ็ญทานบารมีศิ้นเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสจ่าทิฏฐานเมตตาะเวขาบารมีอุ ป, ป, ป, ปบารมีสิบบารมัธรบารมีสิบของพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากัปก็เรียกบำเพ็ญบารมีสาสิบท่านนี่เป็นเหตุหมดนะแล้วอะไรนับเป็นเหตุอีกมหาวิปัสสนาญาณของพระสัพพัญญูพระุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นมหาวชิระญาณก็เรียกปัญญาดังคาถาเพชรใหญ่จํานวนสองล้านสี่แสนโกด อันทําให้เกิดขึ้นแล้วนะพวงพวงไม้โพธิพุกโอ้ก่อนที่พระเจ้าจะพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยทําปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมากมายเลยนะปัญญาที่ใช้ศีลเป็นฐานสมาธิเป็นฐานสมาบัติแปดเป็นฐานแล้วพระองค์ก็เดินวิปัสสนาญาณเนี่ยโอ้โหทั้งสองล้านสี่แสนโคด น, นั่นแหละสมาบัติทั้งหลายวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่ทําให้เกิดขึ้นนะวงไม้โพธิพุกนับเนื่องเข้าในเหตุสัมปทาทั้งหมด มหาวิปัสสนาญาณเป็นประธาตฐานของโพธิญาณอันประเสริฐคืออรหัตภยานโดยแท้นะนั้นปัญญา น, นั้นนับเข้าในในในเหตุสัมภาระแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าตัวอรหัตมรคญาณนะตัวอรหัตมรคญาณเลยหรือปัญญาที่ในโสดาปิมกักในสกาธาคามิมกักในอนาคามาิมักและปัญญาในอรหัตมรคญาณทั้งหมดเหล่านั้น จริงๆนับเข้าในไหนปัญญานับเข้าในปะหานสัมปทาเพราะเป็นปัญญาที่เข้าไปปะหานกิเลสใช่ไหมเนี่ยถ้าปัญญาก่อนหน้านั้นนับเป็นเหตุได้แต่ถ้าปัญญาที่ทํากิจในการประหานกิเลสเลยเนี่ยเป็นปะหานสัมปทานั้นในรายละเอียดเราอาจจะเจาะได้ไม่ได้ไม่ไว่ากันดีทีแต่นั่นแหละถ้าจะแยกให้ละเอียดนะประการต่อ น, นี่คือเหตุเหตุทั้งหมดที่ทรงบำเพ็ญบารมีแต่ละชาติแต่ละวิชาติที่จารึกไว้ห้าร้อยห้าสิบชาติ ไปนับกองจริงเหลือห้ารอยสิบเชาติเนี่ยแนวว่าไตวิดก์อาจจะมีเรานับมันอาจจะขาดไปเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยห้าร้อยห้าสิบชาติเนี่ยที่เอามาบันทกึกศึกษาเราเรียนกันอยู่เนี่ยทั้งหมดนั้นเป็นเหตุสัมปท า, าทั้งหมดแต่จริงๆแล้วเดียข้อแท้จริงทํามากกว่านั้นไหมมากกว่านั้นนะอันนั้นคือบันทึกไว้นิดหน่อยแต่เหตุที่ทรงบำเพ็ญจริงๆเนี่ยมากกว่านั้นนั้นทั้งหมดนับเนื่องเขาในเหตุสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยเหตุนะ ด้วยต้องมีกรุณาจริง น, นถึงจะสามารถบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อผู้อื่นได้ฉั้นเราจะได้เห็นคุณของพระรยาในข้อนี้ให้ชัดประการต่อมาคือผละพระสัมปท า, าก็คือถึงพร้อมด้วยผลนะมีสี่อย่างคือเ อ, อที่จริงปะหานะสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยการละกิเลสญาณสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยปัญญาญาณอนุภาวะสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยอนุภาพและรูปกายยะสัมปท า, าถึงพร้อมด้วยรูปกายไอ้ตรงนี้เขานับเป็นผลทั้งหมดเลยนะจริงๆแล้ว ปัหานะสัมปทาที่นับว่าเป็นผลในที่เนี้ยบางมุมนี่นะในเนี้ยการละ ก, กิเลสพร้อมได้วาสนาไอความเคยชินเนี่ยเ อ, อถ้าเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นบ้าอาหารเหล่าอื่นเนี่ยละไม่ได้นะความเคยชินเหมือนความเคยชินเคยกระโดดเคยกระดิกเท้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าละ ก, กิเลสไปแล้วไ อ, อความเคยชินเนี่ยไม่ถูกละว่าศ า, าสนาเหล่านี้ยแต่ความเป็นสัมมาสัมพุทธานเนี่ยละตัวนี้ได้นะ น, นะรักกิเลตพร้อมด้วยความเคยชินก็หมายความว่าความบริบูรณ์ถึงพร้อมเนี่ยทั้งหมดในการกำจัดโดยองค์ธรรมได้แก่อริยมรรต์ทั้งสี่หรืออาหรืออาราธมัคคยานเป็นต้นเลยก็ได้นะแต่ตัวเนี้นับเนื่องก็ในประหาในะสัมปท า, าส่วนเอามาอาราธมัคคยานกับสัพพยุตยานคนละตัวกันนะ สัพญยุตยานอนาวรณายานอินเตียปโรปริยติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมกกาปฏิหายาญานอสัญญุสยาญย า, ยานพยานเหล่านี้ได้มาหลังจากได้ทำความเป็นวุฒิเจ้าให้สำเร็จผลแล้วได้อาหาตมะขายานแล้วจึงได้พยานเหล่านี้ตามมาเขาเรียกพระสัพพัญยุตยานตามมาพระสัพพัญยุตยานทั้งหลายเป็นต้นและพระทศพลายานอีกสิบนะ มีฐานาฐานใยานเป็นต้นอูไปดูในรายละเอียดเยอะเล ย, ย, ย, เลยพยานเหล่านี้เป็นพยานที่มีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสาธรณาญาณถกที่ว่าเมืนเน่อกี้สัพพัญญตยานพยานที่แทงตลอดโลกธาตุเดททั้งสิน้นอนาวรณาญาณพยานที่ไม่สามารถมีอะไรมามากีดขวางได้อินทรียโปรโปริยติยานพยานที่ไปแทงตลอดอไปรู้อินทรีย์ความอ่อนแก่ อ, อินซียของเราสัตว์เนี่ยอาศยานุสยยานพยานที่ไปรู้อัตยาศัยอนุสัยของเราสัตว์ ยมกัปฏิหาริยา์ยานพยานที่สามารถเแสดงยมกัปปฏิหาริย์ที่เหมาะสมแก่จริตและอัธยาศัยของเหาสัตว์เพื่อเป็นปัจจัยให้สัตว์นั้นได้ตัดสรูปเป็นต้นเหล่านี้ยพรั้นพยานเหล่านี้เป็นต้นเหล่าเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นยานน่สัมปทาทั้งหมดถึงพร้อมได้ยานนี่เป็นผลนะเป็นผลนี่ซึ่งยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากเราท่านทั้งหลายเราไม่ค่อยได้มีไม่มีโอกาสได้เห็นไม่ได้เห็นพยานเหล่านี้เนาะ แต่เราคงได้มีโอกาสบ้างแต่คงลืมไปเนี่ยเลแต่ปรารถนาอยากจะเห็นไหมถ้าปรารถนาอยากจะมีก็ทําเลยนะสร้างเลยเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้ตื่นตาตื่นใจเราท่านทั้งหลายมากแล้วจะได้เป็นปัจจัยแกการแทงตลอดอริเดียสักโดยประการต่อมาคืออนุภาวะสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลคุณและอํานาจฤทธ์ทรงอนุภาพที่ไม่อาจจะคาดได้โอ้พระเจ้านี่มีมีฤทธ์มีอนุภาพที่คาดเดาไม่ได้เลยคาดเดาไม่ได้เลย เช่นพระกายนี้พระองค์กําลังแสดงทำอยู่นาที่เนี้ยพระนนท์ก็รู้ได้เฉพาะที่กําลังแสดงเนี่ยแต่อี ก, กอัตภาพอีกเป็นหลายร้อยอัตภาพกําลังไปโปรดใครในจักรวาลนีกไม่รู้ไม่รู้เลยเหล่าสัตร์ทั้งหลายที่มีโอกาสทั้งหลายเลยที่พระองค์ไปโปรดอีกเยอะแยะหมดคาดเดาได้ยากมากอันนี้เป็นเป็นความมหัศจรรย์มากว่างั้นในในี้พระพุท ธ, ธจ้าในมุมเนี่ยหลายหายคนไม่กล้ามาแสดงกันว่าความความมหัศจรรย์ในมุมเนี่ย นั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายในเขตของท่านใช่ไหมชาติเขตหมื่นจักรวาลอาณาเขต แ, แสนโกดจักรวาลวิสัยเขตหาประมาณไม่ได้โอ้โหฉนันพระองค์ไปได้หมดเนี่ยตรงเนี้ยเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าพระองค์ไปโปรดใครไปทํากิจอะไรทั้งหมดคือมากมายจริงๆ น, นี่ก็เรียกอนุภาหว่าสมบัาิถึงพร้อมได้อนุภาพขนาดนั้น รู ป, ปกายสัสมบ ท, ท า, า, มาความถึงพร้อมด้วยรูปกายนประกอบด้วยวรรลักษ์สามสองประการและอนุปญชนะแปดสิบอันนี้อันนี้ก็มหาสจรย์พันลึกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะงดงามมากมาจากเขียสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นผลส่วนประการที่สามที่เรียกว่าสัตตูปการะสมบทาความถึงพร้อมด้วย การอนุเคราะห์หมู่เหล่าสัตว์เนี่ยมีสองประการนะอาสยามสัมปทาความถึงพร้อมด้วยอัธยาศัยและประโยคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเพียรก็หมายความว่าความปราณีในอัธยาศัยและความบริสุทธิ์แห่งความเพียรทางกายและวาจาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาศยามสัมปทาคืออัธยาศัยที่เกื้อกูลเสมอแม้ในเหล่าสัตว์ผู้ประทุสร้ายเกื้อกูลแม้กับพระเทวทัตเกื้อกูลแม้กับสัจจการนิคคนเกื้อกูลแม้แต่นางกินจมานะวิกา เกื้อกูลแม้แต่ใครทั้งหลายเหล่านี้ที่คิดประทุษรลายบริเจ้าอย่างมากมายมเนี่ยคือกูลไม่ต้องพูดถึงคนที่จะดีกับเราเราจะทําอย่างไรที่เราจะมีใจอย่างนั้นได้ด้ยวยเราไหวไหมถ้ามีใครคิดประทุสรลายเรายังคิดอยากจะเพื่อกูลเขาเนึ่งไหวไหมบอมไหวไหมข้อนี้ไ ด, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้ประการต่อมาคือประโยค่สัมปทานถึงพร้อมด้วยความเพียรในเทศนานะ ในการเทศในการแสดงธรรมไม่ได้เพ่งลาบสกาละเลยไม่ได้เพ่งชื่อเสียงเลยไม่ได้เพ่งเพื่อให้คนชื่นชมยินดีเลยไม่ว่าจะแสดงธรรมแก่พระราชามหามาตย์ข้าาบดีแก่จอมทัพ ผู้เรื่องลือในโลกทั้งหลายเหลา่านี้ไม่ได้หวังอะไรเลยจากเขาหวังไปอนุเคราะห์เขาจริงๆกรุณาเขาจริงๆประโยค้ทางกายที่แสดงออกมาก็บริสุทธิ์จริงๆไม่มีเศษแส้งแง้งอยากได้อะไรกับเขาเลยทางวาจาที่เปล่งออกมาก็มีใจที่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆทําได้ไหมพวกเราเ อ, อเราจะเราจะเทศเราจะบอกเขาจะอนุเคราะห์เขาเนี่ยเรามีประโยชน์ค้าสัมปทากันชัดไหมไม่ได้หวังเลยเนี่ย ไม่ได้หวังอยากมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับคนโน้นนั้นจะมาดูแลเราเลยไม่ได้หวังอย่างนั้นเลยหวังจะอนุเคราะห์เราสัตว์จริงๆเลยนั่นแหละสะอาดไหมสะอาดบริสุทธิ์ในการเทศนาในการบอกกล่าวจริงๆเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสัมมาสัมพุทธะนี่คือเตลิดไปในคุณของพระเจ้าในข้อของคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธูในข้อ ส, สัมมาสัมพุท ธ, ธูทีนี้ตรงนี้ก็คืออยากแก้ กล่าวพุทธคุณน่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธเลยใช่ไหมเนี่ยเวลากล่าวคําว่าพระริเจ้าตัสรุอริยสัจสีได้ด้วยตนเองและบอกบุคคลอื่นนี้ตัสรุตามด้วยผลจากการได้สัมมาสัมพุทธกษ์ก็ดังที่ได้กล่าวมาทั้งเหตุตัวสัมปทาพระสัมปทาและสัตตูประกาศรสัมปทาถึงพร้อมได้เหตุยังไงถึงพร้อมได้ผลยังไงถึงพร้อมด้วยการที่จะอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นนั้นพระเจ้าก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมในการที่จะถึงพร้อมแต่จริงๆในบทพุทธคุณเนี่ยพุทธคุณเ้าเนี่ยเริ่มอะรหังก่อนสมาสามุโทโธเนี่ยที่กล่าวมายัยวิสขคู่เนี่ยเป็นบทที่สองอันแรกที่บอกอะรหังเนี่ยที่บอกว่าทรงพระนาว่าอรหังก็เพราะว่าความเป็นผู้ไกลจากกิเลสใช่ไหมคือไกลจากความโลภความโกรธความหลงก็ ค, คือราคาโทสะโมหะเป็นต้อนอะไรไกล้แสนไกลจากกิเลสเหล่านั้นจริงๆ เวลาเรานึกถึงพุทธคุณเหล่านี้ถ้านึกแค่นี้จะนึกแค่พระเจ้าแต่จริงๆเขาให้นึกต่อว่าข้าวเจ้าก็จะฝึกตนเองให้เป็นผู้ไกลแสนไกลจากกิเลสตามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้ถ้าอย่างนี้จริงเรียกว่ า, าเจริญพุทธคุณจริงๆเวลาเห็นคนของพระเจ้าปุ๊บก็มาน้อมว่าจะฝึกกายวาจาแล้วใจของตนเองให้เข้าถึงคุณความเป็นผู้ไกลแสนไกลจากกิเลสเหล่านั้นได้ถ้าถ้าอย่างนี้เป็นการเจริญพุทธคุณ ทีนีอารหังเนี่ยในอรรถกถาท่านขยายไว้ทั้งสี่ความทั้งห้าความหมายความหมายแรกก็คือไกลาจากกิเลสความหมายที่สองทรงทําลายค่าศึกคือกิเลสทั้งหลายทําลายค่าศึกหักหักรานทําลายทําลายราคาโทสะโมหะทรงหักกรรมของสังสารวัชยหักกรรมในที่นี้ก็คือซีกรรมไอกรรมที่จะนําสู่วัฏฏะทั้งหมดเนี่ยกรรมที่จะนําสู่อบายภูมิ กรรมที่จะนําไปสู่เป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสรุรกายกรรมที่จะนไปสู่ความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมกรรมเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยถูกหักเลยเอลาหังสับเนี่ยหักกรรมหักซี่กรรมที่จะหมุนไปในวัฏะเหล่านั้นเหมือนล้อเหมือนล้อเนี่ยพอซี่กรรมโดนหักไปแล้วเนี่ยทั้งกงทั้งดุมไปไม่ได้นี้เหมือนกันไอตัวกรรมเจตนากรรมที่เกิดร่วมกันกน ก, น ก, นกนิเลสทั้งหลายถูกหักด้วยอรหัธรรมขยานทั้งหลายว่าทําลายปบไปเรียบร้อยเลยทีเนี้ย หยุดการสืบต่อพบทันทีเลยครับงั้นพบที่จะหมุนไปอ่ะกองล้อแห่งกรรมทั้งหลายที่จะหมุนไปสู่ความเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาครมหักสะบั้นเลยครับเนี่ยแล้วก็นั่ ง, งไม่ได้เราก็จะหักกรรมอย่างสังสารวัจจ์เนี่ยน ะ, ะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เคยคิดอย่างนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้พบเนี่ยจะเป็นพุทธคุณนะทรงเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น ที่อยู่อาศัยเครื่องน้ำหอมยาอาหารลูกเสียงกิริยลดผดผ้าที่สัตว์ทั้งหลายไปบูชาทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรรับไหมเป็นผู้ควรเก่อปัจจัยเหล่านี้โโหนไหมโอ้โหควรมากที่นั้นเรามีปัจจัยมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นในนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนที่เขาถวายท่าเราอาศัยบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงได้มีกระแสชีวิตอยู่ได้นะจนบัดนี้เนี่ย และเราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงความเป็นผู้ควรรับกับต่อปัจจัยทำให้ปัจจัยปัจจัยไทรธรรมของคนทั้งหลายที่เขาต้องการบุญเขาจะได้บุญอย่างมากมายเราจะฝึกตนเองเ็าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ตามปริยัติ ความเป็นผู้ไม่มีที่รับในการทำบาปพุทธเจ้าไม่มีเลยผู้ดุชนคนบาปทั้งหลายยังมีที่รับในการที่ทํำบาปแต่พุทธเจ้าไม่มีเนี่ยการระลึกในลักษณะนี้ก็จะเป็นพุทธคุณนะในเรื่องของโดยย่อนนะีที่อหรหแต่สําคัญที่สุดก็คือระลึกแล้วเราจเจริญได้จริงอย่างนีนะ้แต่ละข้อแต่ละข้อน้อมมาดูตัวเองส่วนคําว่าสัมมาสัมพุทธะได้พูดแล้วว่าทรงตัดสุลได้ด้วยตนเองเป็นต้นหรือไ ถ้าสัมมาสมัมพุทธาจริงๆแล้วมากจริงๆนะไม่ใช่น้อยๆโดยสมมาสมพุท ธ, ธาที่ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่เพราะตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมากได้โดยตนเองหูเขาแยกแจกแจงรายละเอียดมากจริงๆในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเนี่ยรูปเป็นทุกขสัจจะยังไงเหตุที่ทําให้เกิดรูปเป็นสมุทัยสัจจะยังไง แล้วก็ดับรูปจะได้ดับเหตุให้เกิดรูปเป็นนิโรธาสัจจะปฏิปทาให้เข้าถึงนิโรดเป็นมรรคเนี่ยต้องไล่ทุกข้อจนละเอียดถี่ถ้วนนั้นเราจะไม่เจาะเข้าไปข้อที่สองก็คือข้อที่สามวิชาเจารณะาสัมปันโนถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะเนี่ยพระเจ้าวิชามีสามกับวิชาแปดวิชาสามก็คือปุกเพนิวาส า, านุสติญาพระเจ้ามีญาณปัญญาที่สามารถและลึกชาติทุตหลังได้โดยไม่มีขีดจากัด อยู่ตูปปาฏิยานก็รู้จุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายอาสวรคขยายานก็คือทําอาสวรกิเลสให้สิน้นเนี่ยเวลาเรานึกถึงปัญญาคุณตรงนี้วิชาตรงนี้แล้วก็ปรารถนาว่าเราจะปลุกตัวเองเข้าถึงวิชาเหล่านี้ถ้าขยายเป็นวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณทุกระดับตั้งแต่นามวโรปปริเชทยญาณเป็นต้นปัญญาที่รู้รู้รูปนามแยกรูปแยกนามได้จนถึงปัญญาสูงสุดมโนมยิธิญาณอันนี้ก็คือแสดงฤทธิ์ได้นะอิ มันฤทธิ์ทางใจเนียอิทธิวิทยา น, นิแสดงฤทธิ์ได้ที่ประจักษ์ขู่ยา น, นิออที่ประสูต่ายานหูทิพเจโตปริยายานเนี่ยรู้รู้วาลาจิตของบุคคลอื่นปุกเพนิวาสารนสติยานก็ระลึกชาติได้ที่ประจักษ์ขู่ยานตาทิพกับจุตูปปาตยานอันเดียวกันอสวรรคญาญานยานที่ทําอาสวรรคเกเรทิสิทธิ์พญานเหล่านี้ปัญญาเหล่านี้พระพุทธเจ้ามีวิชาเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงพร้อมด้วิชาเหล่านี้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสิน้น ส่วนจารณะก็มีกลุ่มศีแลสังวรความสมรวมในสีมีปฏิโมกสังวรแลีลเป็นตัวอินเดียสังวรศีการคุ้มครองอินทรีย์ในถาวรทั้งหลายทั้งๆหูจมูกลิ้นกายใจความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเขาเรียกโภชนมาตัญญาชาคริยานุโยกก็คือการประกอบความเพียรก็คือประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นไม่เป็นผู้หลับในที่นั้นแปลว่าไม่หลับไหลด้วยหน้าของกิเลส น, นะครับ แม้นั่งอยู่เนี่ยถ้ากิเลสกิเลสกุ้มลงก็เรีย ก, ก เ, เป็นผู้หลับนั่นไม่ให้กิเลสมันมามา ท, ท่วมทับเนี่ยพวกนีตรงเนี้ยสาคัญที่สุดเอาละเราจะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะฝึกตัวเองให้เป็นผู้ตื่นจะไม่เป็นผู้หลับเด้ไม่ต้องกิเลสทีกิเลสป็นก้มลมเยอะ <laughs> แล้วก็ศรัทธานะธรรมะเจตะการก็มีศรัทธาความเชื่อมัน่นฮีรีความละอายตัวบาปโอตะป่าความเกรงกลัวตัวบาป เพหูสูดความพิผู้สั่งสมข้อมูลฟังมากวิทยาลัพพะปาร่วมความเพียรสติความระลึกได้ปัญญาความรอบรู้ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นก็อยู่ในชุดของเจรณะด้วยเนาะและอีกเจรณะอีกหนึ่งคือปฐมฌานทุเิียฌานตัทยฌ า, านเจตวัฏฌานนี่เ็จรณะสิบห้านะอย่างนี้เป็นต้นก็ว่าเราจะไปถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะเราจะฝึกตนเองให้ได้วิชาเจรณะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีส่วนในวิชาและเจรณะในฐานะที่เราเป็นบุตรของพุระเจ้าเป็นต้น ส่วนคําว่าสุขโตเนี่ยก็แปลว่าทรงสเสด็จไปแล้วด้วยดีอย่างที่เราแปลกันภาวะที่ทรงดําเนินไปงามภาวะที่ทรงสุขโตสุขโตเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยงดงามบริสุทธิ์หาโทษไม่ได้ทรงดําเนินไปได้ในทางอันประเสริฐนะ ก็หมายความว่าทางดําเนินทางที่ทรงดําเนินเนี่ยที่ภาวะที่ทรงดําเนินไปงามไปทางที่งดงามก็คือดําเนินไปตามมัชิมาปริปทาทางนี้งามมากไม่เอียงก็หาการมาสุขาริการนิยโญกหมกมุ่นในการมคุณหรือเข้าไปสุดโต่งกับอัตตกิลมัฐานิโยคอีกมุมหนึ่งก็เรียกว่าทําตนเองให้ลําบากด้วยความเครียดด้วยทิฐิทั้งหลายใช่ไหมทางที่ดําเนินไปตามศีลสมาธิและปัญญาหรือสมาธิติเป็นต้นนี่งามมากฉะนั้นถ้าเราดําเนินชีวิตของเราในการยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าดําเนินนะ ดำเนินในที่มันดำเนินทางใจนะครับไม่ใช่ดาเนินทางกายนะแต่เป็นทางพูดถึงรูปธรรมแต่จริงๆพูดถึงนามธรรมนะดำเนินในที่นี้คือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นงามงามสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสสัมมาวายมัสมาสติสัมาสมาธิละกายทุจริตละวจีทุจริตละอาชีพเพียงที่ผิดใช่ไหมแล้วก็ละกาเพียงละความเพี้ยนผิดก็มาเพี้ยนถูกสติ มาเจริญสติเจริญสมาธิแล้วก็เจริญสมาธิสี่สมาสภาวะที่ดําเนินไปนี่ก็เลยงามก็สุขโตนะทรงดําเนินไปในงามอีกอย่างหนึ่งภาวะที่เสด็จไปยังสถานที่ที่ดีสถานที่อันงามก็ได้เข้าถึงสถานที่อันงามในที่นั้นก็คือทรงดําเนินไปในสถานที่ที่งามหรือที่ดีก็คือดําเนินไปสู่อนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสและกองทุกข งามขนาดไหนงามจนถึงขนาดว่าเป็นอมตะนิพพานนั่นแหล ะ, สะเสด็จไปสถานที่ที่ดีจริงๆเมื่อสเสด็จไปสถานที่ที่เนี้ยไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่จะงดงามเท่ากับอนุปาทานปริณีพานนี่นอนุปาทานปริณีพานที่เราจะไปกันจะกลับบ้านหมื่อไปโน่นไปนี่สวยงามเลยใจนะบอมนะต้องนิพพานนั้นถึงงานประการที่สามเลยเพราะภาวะที่สเสด็จไปโดยชอบเนี่ย เสด็จไปในที่โดยชอบในที่นั้นก็หมายความว่าสุคโตเนี่ยไม่กลับมาเกลือกกล้วกับราคะโทสะโมหะเออถ้าเราดําเนินไปที่ไม่ชอบเนี่ยมันดําเนินไปแล้วไปเกลือกกล้วเลยราคะโทสะโมหะไม่ชอบหรอกที่ที่เราจะไปแล้วไปเกลือกกล้วกับความโลภกดลงแต่ที่ที่พระเจ้าดําเนินไปเนี่ยดําเนินไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาเกลือกกล้วกับราคะโทสะโมหะอีกเลยเนี่ยจึงเป็นสถานที่ที่เสด็จไปโดยชอบเอง และเพราะภาวะที่ตรัสไว้ชอบเออได้นามว่าสุคโตเนี่ย <c oughs> ก็นอกจากไม่กลับคืนมหากิเลาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่บอกว่าตรัสไว้โดยชอบคือตรัสพระวาจาที่สมควรในฐานะที่สมควรเท่านั้น <c oughs> เพราะเหตุ น, นั้นจึงได้พระนามว่าสุคโตตรัสโดยชอบในเรื่องนี้มีพระสูตรเป็นตัวอย่างก็คือพระพุทธเจ้าตรัสวาจาใดตรัส พระพุทธเจ้าทรงรู้วาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นประโยชน์วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของเหล่าอื่นพระตาคตก็ไม่ตัดวาจานั้นวาจาประเภทนี้พุทธญาไม่ตัดพระตถาคตทรงรู้ว่าวาจาใดจริงแท้แต่ไม่เป็นประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเราอื่นพุทธเจ้าก็ไม่ตัดวาจานั้นก็แล้วพระตถาคตทรงรู้ว่าวาจาใดจริงแท้เป็นประโยชน์และวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของคนเราอื่นพระตาคตก็ทรงเป็นผู้รู้การเพื่อจะตรัตวาจานั้นพระตาขะคตทรงรู้ว่าวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเราอื่นตถาคตก็ไม่ตรัตวาจานั้นยินไหมตาคตทรงรู้ว่าวาจาใดจริงแท้แต่ไม่เป็นประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเราอื่นตถาคตก็ไม่ตรัตวาจานั้น ก็แล้วตถาคตทรงรู้ว่าวาจาใดจริงแท้เป็นประโยชน์และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของชนเราอื่นตถาคตก็ทรงเป็นผู้รู้จักการเพื่อตรัสวาจานั้นแล้วพวกเราสามสมุติว่าวาจานี้ไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาชอบเราจะพูดหน่ยพูดหน่พูด พระเฝอเขาจะเอาใจเขาใช่ไหมมันจะเอาใจเขาไงเออพูดคานี้เขาจะชอบไงแล้วก็เลยพูดว่าจจใดจริงแท้มีประโยชน์แต่มันไม่เป็นที่ไม่ที่ไม่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาเราจะพูดไม่วาจายันไงไม่ควรพูดจริงๆเราพูดไหมแต่พระเจ้าจะรู้การในการพูดรู้การรู้บุคคลควรพูดไม่ควพูดเนี่ยเป็นต้นเี้ย นั่นคําว่าสุขโตเนี่ยสําคัญมากนะนน ใ, นใช่ตรัตวาจางา ม, มสเสด็จไป็นงามในนี้ตรัสวาจางามสุขโตเป็นผู้มีวาจาที่งดงามอย่างนี้<ม>โอ้เราไม่เคยมีใครเราไม่เคยเกี่ยวข้องใครที่พูดคุนงามขนาดนี้เลยใช่ไหมล่าในชีวิตเราโอ้เป็นคนแม้แต่พูดกับเราก็ยังรู้จักที่จะพูดหนึ่งเราไม่รักพระเจ้าเราจะไปรักใครจริงไหมเราบอกอพ่อแม่เราเป็นคนพูดนีด่ เพราะเป็นคนขาดสติสมชัชย์ยะพระเจ้าไม่เคยขาดสติสมัชัญยะในการที่จะเปล่งในการที่จะกล่าววาจาเลยบุคคลลักษณะอย่างอย่างเราจะอยู่พระเจ้าได้ไหมอยู่ได้ใช่ไหมเราเร า, เราจะดอนติงอยู่เรื่อยเลยนะหลุดลุ่ยเหลือเกินนะั่นเรานะต้องฝึกตัวเองให้มีสติสมชัชย์ยะบริบูรณ์อยจะได้มีโอกาสอยู่พระเจ้ า, าโลกรวิทูรู้แจ้งโลกเลยทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงรู้ ทรงรู้อย่างทั่วถึงทรงแทงตลอดโลกโดยประกาศและทั้งปวงโดยสภาวะบ้างโดยสมูทัยบ้างโดยนิโรธบ้างโดยอุบายเป็นเหตุให้เข้าถึงนิโรธบ้างก็คือเนี่ยรู้สภาวะก็คือรู้ทุกข์สัจจะของโลกนะรู้สมูทัยก็คือเหตุเกิดของโลกรู้นิโรธก็คือความดับของโลกรู้อุบายคือข้อปฏิบัติที่เข้าถึงความดับของโลกพระพุทธเจ้ารู้ ดูก่อนอาวุโศในที่สุดแห่งโลกใดไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกนั้นว่าอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปดูก่อนอาวุโสและเราไม่กล่าวว่าการยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ดูก่อนอุโสอีกอย่างหนึ่งเราย่อมบัญญัติโลกความเกิดแห่งโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลกที่ร่างกายและประมาณยาวาหนึ่งนี่มีสัญญาและมีใจคลองนี่แหละก็หมายความว่าคําว่าโลกหมายถึงนี้หมายถึงขันห้ามีชัดเลยโลกขันเวทนาสัญญาสังขารญาณเนี่ยพุทธยาบัญญัตินี่แหละโลกอันกายยาวานาเกิดนี่แหละก็เป็นโลกโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละเป็นโลก เขียให้เกิดโลกก็คือตนตัิหาสุไทยความดับโลกก็คือนิโรธข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลกก็คือมรรคสัจจะและภูริยาก็รู้โลกสามเลยนะทั้งสังขารและโลกโลกคือสังขารและธรรมทั้งหลายกลุ่มสังขารทั้งหลายทั้งที่มีใจครองไม่มีใจครองรู้หมดสัตวโลกโลกคือหมูสัตว์สัตว์มีประมาณเท่าไหร่พยานก็มีประมาณกันนะโอกาสะโลกโลกคือแผ่นดินอันที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายที่ใดมีจักรวาลอยู่ที่ไหนรู้ลุงหมดเลย ปรารถนาจะฝึกตนเองให้รู้แจ้งแทงตลอดโลกตามพระพุทธเจ้าก็คือโลกคือขันท่าเนี่ยเราอยากจะรู้ตามพระเจ้าอยู่ใ น, นนี้ <S <S อนุตตโรแปลว่าอะไรบุก ค, คนผู้ยิ่งกว่าชื่อว่าย่อมไม่มีแก่พระผู้มีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่จะวิเศษกว่าพระองค์ในคุณของตนนะเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้พ น, นาว่าอนุตตโรเนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมครอบงาโลกทั้งหมดเลยเนย ด้วยคือพระคุณศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณพระองค์ไม่มีใครเสมอหาบุคคลเสมอไม่ได้นี่นะด้วยศีลโดยสมาธิด้วยปัญญาด้วยวิมุตติเป็นต้นอนุตตรโสรับหนึ่งปุริสธรรมสารถิอีกศัพทหนึ่งนะอนุตตรโหนี่เป็นผู้ที่เลิ่อเป็นผู้ที่วิเศษกว่า บ, บุคคลอนุตระยิ่งใหญ่เลื่อกว่าบุคคลอื่นด้วยศีลสมาธิปัญญาห า, หาใครเปรียบไม่ได้ ส่วนคำว่าปุริสธรรมสารถิเนี่ยยังบุรุษผู้พอจะฝึกได้ให้เล่นไปก็หมายว่ย่อมฝึกย่อมแนะนำสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ก็ดีมนุษย์ผู้ชายก็ดีอะมนุษย์ผู้ชายก็ดีผู้ที่ยังไม่ได้ฝึกควรเพื่อจะฝึกได้ชื่อว่าปุริสธรรมบุริสธรรมสารติอย่างเนี้ยแม้สัตว์เดรัจฉานตัวผู้เช่นอัปปะไอใครและ่ะ ช้างลิงนาคาาดเนี่ยอปารลนานาคราชจูราธะนาคาลาดมาโหระธานาคราชอัคคิสิกขานาคาลาดทูมาสิกขานาคราชอาราวะลนาราคราชหรือช้างธนปาละเป็นต้นเลยเนี่ยนะช้างนาลาคิลิงเป็นต้นเออถ้ากลุ่มพวกนิครณล่ะเช่นกลุ่มนิครณเนี่ยสัจการนิครณเนี่ยพุทธิยามัฝึกยากขนาดไหนพุทธิยามัฝึกได้หมดเลยนะ หรือกูตะทันตพราม์เนี่ยโหฝึก oh, ยากมากเลยกูตะทั am, <ห>นตพราหม์เนี่ยพรามตะ<ห>พราหม์ฟันกระเหินเนี่ยโ oh, อ้ยทิศทีแรงมากเลยแล้วฝึกจนได้ด้วยที่เนี่ยแล้วมีใครกันโปะคณะโปะคณะโปะคะสาติพราหม์โสนาทันตพราห ม, ม์อัามพัทตพราหม์เนี่ยอันธพามานพเนี่ยหรือยักษ์อรารวกยักษ์สูจีโรมยักษ์คระโรมยักษ์หรือเท้าสักกะเทวราชเป็นต้นเหล่านี้พุทธิย่าฝึกได้หมดเลยเนี่ยเนี่ย ใช้อุบายอันวิจิตในการที่ฝึกนั้นพระเจ้าจึงได้นามว่าปุริสธรรมมาสารถิหรืออย่างหนึ่งสองบทรวมกันเป็นหนึ่งก็ได้นะอนุตตรโภปุริสธรรมมาสารติแปลเดียวกันก็ได้ว่าพุทธเจ้าทรงยังบุรุษผู้ควรฝึกนี่ให้แล่นไปก็คือให้ฝึกได้เลยดิก็คือเหมือนอย่างพทะเจ้าทั้งหลายประทับอยู่บนบัลลังก์เดียวทรงแล่นไปไม่ติดขัดตลอด ทิศทั้งแปดฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าอนุตตรโริีธรรมสารทีพระเจ้าทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าไม่มีใครจะยิ่งกว่าในการเป็นผู้ฝึกประเด็นในข้อนี้พอเรานึกถึงพุทธคุณข้อนี้ก็นึกว่าเราพร้อมไหมที่จะให้พระุทธเจ้าฝึกเราพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อม พร้อมไหม ใ, ในใจจริงๆพร้อมไหมเราจะเป็นผู้ว่างง่ายเราจะเป็นผู้ที่รับการฝึกด้วยดีเราจะเป็นไม่เหมือนโวัวควายที่บิดแอกเน่ะเพราะจะเข้าที่ฝึกแล้วก็บิดหนีบิดนี้จริงจริงหนูพร้อมที่จะให้บริยาฝึกไหมพร้อมไหมพ่อไม่ลุกครับอาจารย์ก็ฝึกอยู่ทุกวันนะครับอ๋อก็ต้องตรงนี้ต้องน้อมใจว่าเราจะเป็นผู้ยอมรับ การฝึกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีเงินขไข้ใดๆแล้วจะยอมเป็นผู้รับการฝึกด้วยดีด้ว ย, ยถ้าเราจะออกจากเพียนนี้ไปแปลว่าเราจะมันจะพิฝึกได้ไหมนะ้นี่ได้เลยโอราการก็น้อยแล้วไม่น้อยเลยยังไงมันจะดีกว่ากันะ อันนี้นี่ให้คิดน ะ, ะระหว่างอยู่ในเพศนักบวชเข้ารับการฝึกของจากพุทธเจ้ากับการเป็นฆราวาสเพื่อจะเข้ารับการฝึกจากพุทธเจ้าอันไหนจะฝึกได้เดียวกันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเอาเวลาเราเป็นฆราวาสเวลามันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมหรือยังไงในว่าไหนผมว่าฝึกได้ พูดพูดถึงเวลาก็นักบวชก็ดีกว่าครับเออก็ต้องบอกตามความจริงนักบวชมีโอกาสมากกว่าคารวะเนี่ยมันแค่จะทำมาใหากินแต่ละวันนายก็เคยเป็นคารวะนะโอกาสมันมีจริงๆริงไม่ทั้งยิ่งแทไม่มีเลยน้อยน้อ ย, น, อยน้อยจังนะยกเว้นนะยกเว้นนะ่เนนะเราไม่ต้องไปเดือดร้อนเรื่องทำมาใหากินเลยแต่มันก็จะมีโอกาสไปทําบาปอย่างเดียวโอกาสสูงมากเนะี่ยเพราะมันมีพร้อมอะ่ะใช่ไหมล่ะ เอาถ้ามีใครบอกว่าเอาโอเคเองคุณจะต้องการจะฝึกไหมเราจะให้คุณเดือนละแปดพันเอาไหมไปเป็นฆราวาสก็ได้เคืทาทำานเงนเดือนต่อเขาเขาให้เขาเขาส่งอาหารส่งข้าวส่งน้ำให้เราอยู่ไปพืชปฏิบัติเง้ยขัดเก้าศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมะในเพ่นฆราวาสเอาไหมอย่างนี้นะเรไม่เอาอีก ปวดจะใจจะเตลิดไปอย่างอื่นอยู่ไหมไม่มีกรอบอ่ะชีวิตคารวัตไม่มีกรอบอภิการตารรมาสัทธาเดวะมนุษย์สานังศัทธาทรงสั่งสอนด้วยประโยชน์ปัจจุบันด้ยประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ่าสัทธามาใช้คำว่าอัธานอันธานประโยชน์สัทธาศัพ์เดียวกันนี่ก็ในความหมายอีกบทห น, นึ่งสรัทธาเนี่ยเพิ่งทราบว่าสถาถัทธาจะแก่พระเจ้าทรงเป็นดุลนายกอง นายกองย่อมพาให้เกวียนข้ามทางกันดานให้เวียนข้ามทางกันดานเพราะโจรกันดานเพราะสัตว์ร้ายกันดานเพราะข้าวแพงข้าวยากหมากแพงกันดานเพราะไม่มีน้ำย่อมให้ข้ามพ้นบรรลุ ถ, ถึงที่เกษรรมฉั้นใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันในฐานะเป็นพระบรมศาสดาก็ทรงเป็นดุจนายจำพวกนายพวกก็คือเป็นนายพวกก็คือนำเหล่าสัตว์ให้ข้ามกันดานนะ ใหข้ามกันดานกันดานมีระาวังชาติกันดานชรากันดานปยาทีกันดานวรณะกันดานเนี่ยกันดานคือพบทั้งหลายการเกิดแก่เจ็บตายเป็นกันดานทั้งหมดนั้นเนี่ยในความหมายนี้ก็เออคนที่เป็นหมู่ในในในผู้นําหมู่ผู้นําควียนทั้งหลายเนี่ยก็พา้นจากพวกโจรยังไงพ้นจา ก, ก, จงงจากทะเลเพิงยังไงพ้นจากกันดานคือพวกโจรบ้าง ภัยจากอาหารบางภัยจากสัตว์ร้ายทั้งหลายนี่อมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนไปเลยสามพวกความฉลาดของนายเกวียนเนี่ยสามารถพาเราลูกน้องทั้งหลายข้ามพ้นกันดารได้นั้นแม้ฉันได้พระเจ้านั้นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้นำหมู่เป็นนำเราสัตว์ให้พ้นจากชาติกันดานรไดชละใจชลากันดารพยาธิกันดานรวรณะกันดารฉันนั้นเหมือนกันส่วนคำ ว, ว่าเทวว่ามนุษย์สานาั่งก็คือของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วย มนุษย์เทวมนุษย์สานังนะท่านกล่าวไว้ด้วยอำนาจของสัตว์ชั้นสูงและด้วยอำนาจของการกำหนดบุคคลที่ควรบรรลุธรรมนะตรงนี้ก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระบรมศา ส, าศาสดาแม้จำพวกสัตยราชาด้วยนะทรงประทานอนุศาสนีให้เหมือนกันจริงอยู่สัติราชาแม่เหล่านั้นบรรลุอุปนิสัยสมบัติก็เพราะได้ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ เช่นบรรทุกะทเทบาวด์แต่ก่อนเป็นกบเนี่ยเพราะอาศัยพระสุรเ ส, สียงกองพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตายลงในขนาดนั้นไปนเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาฟังธรรมบรรลุเนี่ยนั้นพระเจ้านั้นจึงเป็น จ, งนจึงเป็นจึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งหมู่สัตว์เหล่าอื่นด้วยเนาะไม่ใช่แค่นั้นแล้วก็พุทโธพุทโธก็คือตัจรุอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมาอันนี้ไม่ยาก ส่วนคำว่าพระขวาพระขวาศัพท์นี้สิเป็นคําประเสริฐเนี่ยพระขาวาเป็นคาําสูงสุดเพราะเป็นเหตุที่ที่พระ อ, องค์ทรงควรแก่ความเคารพในฐานะครูบัณฑิตจึงเรียกพระขวาเป็นเนมิตตกน า, ามเนะียคือพ่อแม่ไม่ได้ตั้งให้พระเจ้าสุโธทนะไม่ได้ขนานพญาทั้งหลายแปด0 0ื่นทั้งหลายก็ไม่ได้ขนานเทวดาทั้งหลายก็ไม่ได้ขนานพระนามไม่ได้แม้ภาษาลิบุตรทั้งหลายก็ไม่ได้ขนานพระนาม น, นี้พระขวานี้เกิดขึ้นในที่สุดแห่ง การตัดสรู้เพราได้ตัดสรุปพบจึงได้นามว่าพระขาวาเป็นบัญญัติที่สําเร็จประจักษ์แก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพอบรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วจึงได้พระนามนี้พุทธเจ้าพระองค์ใดทรงมีพระอิสระยศเสพอิสระคุณมีส่วนแห่งจตุปัจจัยทรงจําแนกพระธรรมพระเหตุนั้นพรุทธเจ้าจึงได้นามจึงได้เฉลิมพระนามว่าพระขาวาเป็นผู้จําแนกแจกแจงพระธรรม แก่แกงศีลสมาธิปัญญาให้เราศาตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในพระพุทธเจ้าได้ทรงพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ใดได้ทําการหักกิเลสปาฆะโทสะโมหะพระผู้มีพระองค์นั้นบัณฑิตจึงขนานบระนามว่าพระขวาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นครูเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้พระนามว่าพระขวาพพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้มีพระธรรมเพราะเหตุนั้นจึงได้ว่า ได้เฉลิมพระนามพระคุพระคธรรมก็คือมีส่วนแห่งธรรมะตรงนี้เขาไม่ได้ขยายไว้แล้พระคธรรมพระคธรรมก็คือมีส่วนแห่งศีลสมาธิปัญญาก็คือสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นที่พระ อ, องค์มีศรัท ธ, ธาเวรียสติสมาสธิสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินรทรีย์พร ะ, ชะรชาพ่อริยมรรคนั่นแหละพระ อ, องค์เป็นเจ้าของธรรมะเราทั้งหลายพระ อ, องค์มีส่วนแห่งธรรมะนี้ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมะแต่ละชิ้นแต่ละชื่อเราเข้าถึงพระองค์ก็ถึงพระคาวา เมื่อไหร่น้อเราจะได้เข้าถึงพระเข้าให้เต็มที่ยัตอนนี้เข้าถึงได้นิดๆหน่อยๆยังตื้นเต้นขนาดเนี้นเนีพระกระทำพระเจ้าพระองค์ใดมีพระองค์ที่อบรมดีแล้วด้วยยาณธรรมอันอันมากเสด็จถึงที่สุดแห่งพบก็คือเข้าถึงพระนิพพานพระองค์บัณฑิตจึงเรียกว่าพระเข้าในคาถานี้บัณฑิตเพิ่งเห็นใจความในบทที่บอกว่าในมหานิเทศนะพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ทรงมีภาคยธรรม ทรงหักกิเลสประกอบด้วยพระธรรมทรงจำแนกพกระธรรมท่องเศษพระธรรมคลายคลายการไปในภพทั้งหลายแล้วเพราะเห็นนั้ น, พ, น, น, นพุทเจ้าจึงได้นำว่าพระขาวะพระธรรมมีศีล ส, สมาธิภารยธรรมก็คือถึงฝั่งแห่งบา ร, รมีมีทานเป็นต้นเหล่านี้หักทรงหักกิเลสเธได้ก็คือราคาตัวส า, มาโมหะกิเลสอีกเยอะแยะพึงประกอบด้วยพระธรรมประกอบด้วยทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นประกอบด้วยยศ ด้วยธรรมะด้วยสริริด้วยกามะโอ้ยลายละเอียดเยอะเลยนะโคทรงจำแนกธรรมจำแนกสติปัฏฐานสมปทานสร้สงเสพธรรมะก็คือตั้งแต่ศีลเป็นต้นไปตลอดถึงพวกสมาบัติทั้งหลายและทรงคายการไปในภพทั้งหลายพระเจ้าทรงคายการไปในภพทั้งหลายหมดเช่นนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือหนึ่งพุทธคุณหนึ่งพุทธคุณสองพุทธคุณสพุทธคุณเก้านี่นะคือการกล่าวพุทธคุณโดยยอด่อโดยใจความ ให้เราทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้ามีใครจะถามอะไรไหมมีไห ม, มยอยากสนทนาอะไรต่อไหมมีไหมไม่ออกครับอาจารย์ทำให้เกิดความเข้าใจพุทธคุณมากขึ้นไหมครับทำให้ เ, เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเนี่ย การที่เราจะตรงนี้ต้องเอามาระลึกบ่อยๆนะยางพูดแต่คุณหนึ่งวิธีระลึกก็คือว่าตถาคตโพธิ์ที่ศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาทัศรูของพระตะถาคตเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่เป็นพระพุทธเจ้าสี่จริงแทงตลอดอริยศาสตร์สี่จริงๆประกาศคําสอนนําคํา ส, สอนคืออายศสตร์ามาประกาศและ3ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าบรรลุได้ถึงจริงนี่ประการแรกๆ ถ้าเราไม่เชื่อมั่นตรงนี้เราก็ไม่ประพฤติปฏิบัติประการที่พอเชื่อมั่นอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บได้พุทธคุณหนึ่งปุ๊บก็เยโยงมาถึงตัวเราเองว่าพระเจ้าบำเพ็ญบารมีจนสามารถตั้งรู้เป็นพระเจ้าได้ไหมฉันไดเราก็จะฝึกตนเองเนียมันโยงมาถึงตัวเองเราก็เป็นมนุษย์เหมือนพรธเจ้าฉะนั้นเราก็จะฝึกตนเองเข้าถึงพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใหได้ส่วนพุทธคุณสองอัตตาหิตะสมบัติก็คือพระเจ้าเข้าถึงความเป็นเข้าถึงความเป็นพุทธะไปเข้าถึงความเป็นพระเจ้า ในการฝึกผลพัฒนาตนเองเข้าถึงพุทธภาวะด้วยพระปัญญาจึงได้อัตนาถาพึ่งตนเองได้เราก็จะฝึกตนเองให้เข้าถึงอัตนาถาคือพึ่งตนเองได้นั้นส่วนพระยตาปฏิบัตินั้นน่ะสำเร็จพุธกิจได้ด้วยพระกรุณาคุณบําเ พ, าพ็ญธุรกิจเพื่อโปรดเวนิยสัตว์แม้พวกเราทั้งหลายก็ได้รับประโยชน์จากการที่พุทธเจ้าโปรดพวกเราด้วยเนี่ยได้พุทธคุณสอง น, ะนี่ได้กรุณาคุณพระปัญญาคุณกรลยาคุณ พุทธคุณสองอัตตาอั ต, ตนาถาพึ่งตนเองได้แล้วพระเจ้าประการที่สองเข้าถึงความเป็นโลกนาถาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกก็จะปราไหิตะปฏิบัติปฏิบัติบำเพ็ญพุทธกิจโปรดเวนิยัสว์ส่วนพุทธคุณสามก็คือพระปัญญาคุณปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ใช่ไหมได้ด้วยตนเองแล้วก็เข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสก็เป็นบริสุทธิ์ที่คุณ แล้วก็โปรดเวนัยส่วนชนทั้งหลายมีเราวิ็นต้ก็เป็นการุณาคุณก็เป็นพระคุณสามเราก็จะฝึกตนเองให้มีส่วนในการเข้าถึงพระคุณสามของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้พอได้หนึ่งสองสาแล้วก็มาก้าอลาหังเป็นผู้ไกลจากราคะโทสัสัมมาสัมพุโทโววิชาจจรณาสัมปันโนสุข โ, โตโลกวิทูอนุตโตปุริสธรรมมาสารติ อนุตโ อ, อนุตรโรบางทีบางสิงแยกอนุตโ e กับปุริสรมมสัตที่จริงอันเดียวกันสเียดอนุตรโรปุริสัรมสอนุตโ e เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งหลายแต่อนุต t e ปุริสรมมาสัก็คือเป็นสารีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยางไม่มีใคร น, นิร่งกว่าสัตธาเทวมุสานังเป็นาศาสดาของเทวดาและม น, นุษย์มาแล้วก็พุทโธเป็นผู้ทัสส ร, รุลิยะสีส่ภะควาก็ส้มีหลายความหมายทั้งเดก มีการจำแนกแกแกแงะเพื่อทรัตนะสิ่งต่างๆนี้เราสามารถทำมาเจริญเป็นพุทธคุณได้ในชีวิตจริงพอเข้าใจนี่นชัดเจนมีอะไรที่จะตรงนี้ได้ระลึกบ่อยๆไหมในชีวิตจริงให้มันเอาระลึกระลึกบ่อยๆระลึกบึอยถ้าไม่ระลึกเลยเนี่ยมันรู้สึกเราจะเหงาเนะี่ยชีวิตมันจะว่าเวิ่งถ้าระลึกอยู่ตลอดเวลาในจิตมันชุ่มฉ่าเราต้องมีที่พึ่งต้องหาที่พึ่งใน้ตเนเองไม่ได้แล้ต้องให้มีให้อยู่เหมือนเราอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า นั่นจะได้มีความสุขโดยเฉพาะที่เรานอนไม่ค่อยหลับด้วยใช่ไหมสาคัญที่สุดใช่ไหมตรงนี้ยิ่งนอนไม่หลับด้วยแล้วมันก็จะยิ่งจะเป็นเป็นทษอางเข้าใจไต้องพยายามมีพุทธคุณเป็นเรื่องหลอเลี้ยงด้านจิตใจให้มากถ้ามีพุทธคุณหลอ่อเลี้ยงจิตใจมากแล้วจะได้เป็นไปโอเคสมควรดกับเวลา